พิธรรมปิดกธรรมปัจจญญานุโลมเตะกะทุกะปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งกุศลตกะกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอักพยากฤตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอักุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นหนักพยากฤต ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัิญญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุตุปปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 2.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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอั hey. พยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไ <fique> <Olha. S 1> ม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป Short ็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอภพยกริตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอ <capaz> <ti> e <Note> ัพยกริตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีหนึ่งวาระย่อเหตุตุปัจใจมีสิบแปดวาระอรมณะปัจัยมีแปดวาระและถึงวิปากปัจใยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิปดวาระหนึ่งครูลติกะสองเสหิตุกะทุกะสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณ์ปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวุณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากขปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระสี่ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิยากริสซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจสภาวธรรมที่เป็นอภพญากฤิตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอริมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงสหาชาตะปัจจัยมีสิบสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสองวาระหนึ่งกุสลติกะ สเหตุสัมปยุตตทุกะหสภาวธรรมที่เป็น ing, อกุศลซึ่งสัมปยุตได้เหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตได้เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป <penso> ็นนพยากฤตซึ่งสัมปยุตได้เหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตได้เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นัพยากฤิซึ่งสัมปยุตได้เหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมพิจุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหกวาระเหมือนกับเหตุตุกะทุกตะยอ่อสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปิยุจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่วิปิยุจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหกวาระเหมือนกับไปเหตุตุกะทุกะย่อหนึ่งกุศลตุกตะสี่ถึงหก เหตุเสหตุกะทุกระเป็นต้นหสภาวธรรมที like ่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นหลัพยากรึซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นนักภศลมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นนัพยากริตมีสองวาระนับครั้งแรกมีหนึ่งวาระนับครั้งที่สองมีหนึ่งวาระนับครั้งที่สามมีหนึ่งวาระทุกปัจใจมีปัจใจละเก้าวาระเหตุปัจใจมี9ก้าวาระและถึงวิปากปัจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมี9้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ 7. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุติเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเหมือนกับเหตุสเสตุกะทุกกะสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุจดิเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่พิจารณาเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าววาระละถึงวิปากาปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้า ว, วาระแปสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤรซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศั ย, ยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตเุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 9. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยกลิศซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยหนึ่งเมื่อนับแล้วมีสามวาระเหตุ ป, ปัจจัยมีหกวาระอาทิตติ ป, ปัจจัยมีหกวาระละถึงปัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึง วิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ 1. กุสละตะกะเจถึงสสจุลันตระทุกะ10สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณะปัจจัยอารมณะปัจจัยมีหกวาระอธปธปติปัจจัยมีหกวาระ อุปาณิสยาปัจจัยมีหกวาระสังคตะทุกกะเหมือนกับสัพ ป, ปัญญาทุกกะสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเห็นได้มาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยรมณะปัจจัยเพิ่เพิ่มเป็น9ก้าวาระระมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมี9ก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปัจจัยมี9ก้าวาระ พวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระสิบสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกระทบได้อาศจยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริสึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏปิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ 13. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึงเป็นรูป อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่ง imagen, ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นรูปอาจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งเป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลเคียเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึง วิปากัปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ์ซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพิ่มเพิ่มเป็นหกวาระ เหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระ อรามณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึ ง, วจจวถงอวิคตะปัจจัยมีสิบปดวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอรามณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง วิปากับปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิภัตตปัจจัยมีสิบแปดวาระ 1. กุศลตึกะ 14. อาศวะโคชะกะ 16. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาศวะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีห้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาชวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาชวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ 18. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุด้วยอาชวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมพยุด้วยอาชวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุจจากอาชวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ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 ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาร ะ, รจจาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยีสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมพยุติอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิพิจักอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุสลซึ่งสัมพยุติอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปิชฌาอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเ hey, หตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเอด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งวิปยุจฉาอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจฉาอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสมวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระ หกุศละตะกะยี่สิสัญโยชนะโคจระเป็นต้นยีสิสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยต์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นสังโยต์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันทะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 25. ส้าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระ 26. สหสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นนิวรนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นนิวรนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเจ็สภาวธรรมที่เป็นอนุศลซึ่งเป็นปรามาตยอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาตยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งกุศลติฆะห้าสิบห้ามหันตระทุขะ ยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งกุศลตะกะเก้าสามกวจระทุกกะยี่สิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นอภิยากริตซึ่งเป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นกลางมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งภูษณตึกะเก้าสรูปาวจระทุกะสาสิสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งเป็นรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญา ม, มัญญาปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งกุศลตึกะเก้าสิห้าอรูปาวจรทุกะสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจร เกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปรวาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ สุชาะ96ปริยาปนัท <discussion> <te> <t> ุกกะ32สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องเนวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่นับเนึ่องเนวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องเนืวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่นับเนื่งเนืวัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤุตซึ่งนับหนึ่งนืวัตทุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่ใช่นับหนึ่งเนิวัตทุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสมวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับหนึ่งเนิวัตทุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ ใ, ใช่ไม่นับนหนึ่งในวัตถุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งม่นับหนึ่งในวัตถุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่นับหนึ่งในวัตถุุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เนนนหนืกุศลเป็นมูลมีสองวาระสภาวธรรมที่มีทุกขะเป็นมูลก็มีสองวา ร, า ร, า ร, า ร, ระ เหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งปุสละติ ก, กะเจนิยานิ ก, กทุกะส3สสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกขอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ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 เกิดขึน้นเพราะเหตุถ <im> ูป <im> ัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งบุสลติกะ98 นิยตาทุกกะสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับอภริยาปันนทุกกะมีหกวาระเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพรยากฤดซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น อ, อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจ <Gaussian. S 2> ัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิตซึ่งม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย เหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อหนึ่งอุชร ะ, ะรถูกะเก้าสิบเ้าสอุตระทุกะสามสิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นนพยากฤิซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนักุสลซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนักุสล และที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็ น, นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีหกวาระและถึงวิปากาปัจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระหนึ่งุชลติถกะ หนึ100สารณทุกละสาสหสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุตัปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศล ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 2. เวทนาติ ก, กะหนึ่งเหตุทุกขะสามสสภาวะธรรมที่จำปยุด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปัจด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปัจด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปัจด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปัจด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปัจด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุ่ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปัญยุ่ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปัญยุ่ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุ่ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุ่ด้วยสุขเวทนา และที่ไม่สัมพยุดด้วยทุกขโมสโควเทนนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระนับครั้งที่สองมีสามวาระเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงวิปากปัจจัยมี14บสวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุดด้วยสุขเทนนาซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุมีสองวาระเท่านั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุมีสองวาระเท่านั้นนับครั้งแรกเป็นหนึ่งวาระนับครั้งแรกเป็นหนึ่งวาระครั้งที่สองเป็นหนึ่งวาระครั้งที่สามเป็นหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเ้าวาระสวิปากะตึกะหนึ่งเหตุทุกขะสามสิบปดสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสาภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิปากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เทตุปัจจัยมีสิบอดวาระอรมระณะปัจจัยมีสิบเอดวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมี9้าวาระอายเสนณะปัจจัยมีหกวาระและถึงวิปากปะปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปะปัจจัยมีสิบเอดวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอรมณะปัจจัยมี9้าวาระและถึงอัญญามัญญปัจจัยมีสิบี่วาระและถึงวิปากระปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี18ดวาระ 4. อุปาทินาติกะหนึ่งเหตุทุกกะสาสิบเก้า สภาวะธรรมที่กำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุอ า, ายัยสภาวะธรรมที่ไม่เช่อฟรรั่มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอระมณ์ปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึง อาศัยวิณะปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอเหตุปัจจัยมีสิบปดวาระอรมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบอดวาระและถึงอาเสวชนปัจจัยมีหวาระละถึงวิปากปัจจัยมี15้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบดวาระ 5. สังเกตฤทธิติฆะ 1. เหตุทุกขะสี่สิบ